เมื่อจิตเศร้าหมองเป็นอันหวังทุขติได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองเป็นอันหวังสุขติได้ถอดความอีกทีหนึ่งว่าบุคคลจะไปสุคติหรือทุคติก็สุดแล้วแต่จิตของตนเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วแม้ชีวิตปัจจุบันก็มองเห็นความจริงข้อนี้ได้